กัปรัพออญญนพรอาจารย์โยมสาธุชนทุกท่านอาการเยียยาผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญน่าชื่ชนชมเพราะต้องอาศัยความเสียสละไม่ใช่น้อยแต่ว่า ในขณะเดียวกันนะก็ทำให้เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดการเหนื่อยล้าแก่ผู้ที่เยาวยาได้และความเหนื่อยล้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางกายสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเนะี่ยก็คือความเหนื่อยล้าทางใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผู้เยยวยาเนี่ยพึงใส่ใจพึงจะใส่ใจอยู่เสมอก็คือการดูแลตนเองเพราะว่าการเยยวยาหรือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเพราะดูปัจจุบันมีโรคที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งโดและแต่เป็นความเจ็บป่วยที่เยื้อเรื้อรัง โดยเพพาะกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรือว่าพิการการแพทย์ปัจจุบันก็สามารถที่จะดูแลประคับประคองเขาได้เนี่ยไม่ใช่เป็นปีนะฮะเป็นสิบปีและการเยียวยาเนี่ยถ้าว่าตกเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง นั่นก็มาถึงการเยวยาดูแลเขาเนี่ยเป็นสิบปีเหมือนกันแล้วก็มีหลายกรณีที่ผู้เยวยาก็มีาเป็นไปก่อนผู้ป่วยด้วยซ้ำที่มาเป็นไปเนี่ยหลายกรณีก็สืบเนื่องกับการดูแลเยีวยาผู้ป่วยโดยตรงก็คือว่าทำงานจนเหนื่อยล้า แล้วก็สุขภาพเสือ่อมโทรมอาจจะหัวใจวายหรืออาจจะเหนื่อยอ่อนนะจนถึงกับต้องจากไปนะก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะเยียวยาผู้อื่นเนี่ยก็สำคัญมากที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีทั้งทางกายและทางใจ มัพงถือว่าการดูแลตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาคนที่เรารักซึ่งตอนป่วยอยู่การดูแลตัวเองจึงหมายถึงการที่นอกจากที่เราจะมีเวลากับคนไข้แล้วก็ต้องมีเวลากับตัวเองมีเวลาที่จะไปพักผ่อนมีเวลาที่จะออกไปท่องเที่ยวบ้าง ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเลยนะที่เราจะมีเวลาไปเที่ยวมีเวลาที่จะไปเพื่อที่จเปิดตา ม, มีเวลาที่ที่จ ะ, ะวางภารกิจการงานต่างๆโดยข้อาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยพื่อที่เราจะได้ชาร์จไฟและกลับมาดูแลคนไข้แต่การดูแลร่างกายเนี่ย นอกจากการออกกลังกายนะการมีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้ให้พอเพียงแล้วร่อทั้งการกินที่เหมาะสมสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการดูแลจิตใจของตัวเองการดูแลจิตใจสำคัญมากแต่ว่าไปแล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าของผู้เยาวยาย่สิ่งสำคัญไม่ใช่ ความเหนื่อยล้าทางกายแต่เป็นความเหนื่อยล้าทางจิตใจซึ่งเกิดจากความเครียดเกิดจากความกังวลเกิดจากความหมุดหมิดลวมั้งความโกรธมันมาจากไหนความหมุดหมิดความโกรธก็จะมาจากการที่ผู้ป่วยนะไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำหรือว่าการดูแลของผู้เยาว์ยาผู้เยาว์ยาปรารถนาดีอยากจะให้ผู้ป่วยทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้แต่ผู้ป่วยไม่สนใจอาจจะทำสิ่งที่มันเป็นผลเสียต่อสุขภาพเช่นอาจจะสูบบุหรี่อาจจะกินของที่มัน เป็นน้ำตายต่อโลกกินของหวานกินแปรอสนะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าข้างเหนียวทุเรียนเนี่ยไม่ยอมเลิกเสพทีอย่างเงี้ยผู้ยวยาก็โมโหแล้วก็อาจจะตามมาด้วยการด่าว่า แล้วลงท้ายคือความรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่มีต่อผู้ดูแลบางที่มีความรับแท้นรับแค้นว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมพี่น้องไม่มาสนใจทำไมพี่น้องไม่มาดูแลทาไ ม, ไมต้องเป็นหน้าที่ของฉันฉันดุสราเสียสละอนามสกุลฉันเนี่ยลา ง, งานไม่ใช่ลา ง, งานนะ เลิกงานไปเลยมาครุกอยงเนี้ยห้าปีสิบปีแล้วฉันได้อะไรต้องมารับกรรมนะมันมีความข้อแท้ใจมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะมันเข้าไปบั่นทอนจิตใจของผู้ดูแลผู้เยียวยาและสมาที่ว่านี่คือปัญหาที่หนัก ที่กดทับความรู้สึกของผู้คนยิ่งกว่าความเหนื่อยในทางกายซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจำเป็นมากในการดูแลจิตใจหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยผู้แนะนำเนี่ยที่จะทำการเยียวยาผู้เยียวยาเนี่ยควรให้ความสำคัญ <c oughs> การดูแลจิตใจ อาจารย์มาคิว่ามันมีมันมีหลักอยู่สี่ห้าประการที่น่าจะช่วยเยียวย า, าผู้ดูแลได้เนี่ยอย่างแรกก็คือการยอมรับความจริงของผู้ป่วยสําคัญมากทีเดียวนะการยอมรับความจริงเนี่ยยอมรับนี่ความที่ผู้ป่วยจะมีสองประการนะฮะ หนยอมรับพฤติกรรมของเขาสองยอมรับอาการของเขายอมรับพฤติกรรมของเขาหมายความว่าบางทีคนไข้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะอ่อนแอกว่าที่เราคิดก็อาจาอาจะไม่เชื่อฟัง สิ่งที่เราได้แนะนำไม่ทำตามที่เราแนะนำนะและสิ่งนี้มันสร้างความหมุดหิดนะสร้างความทุกข์ให้กับผู้ดูแลมากการที่เราเนี่ยยอมรับเข้าอย่างที่เขาเป็นจึงเป็นสิ่งสงาคัญมาก พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินว่าเขาเนี่ยอ่อนแอเขาเนี่ยไม่เอาใจใส่เขาไม่รักตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยนะนิสัยอาจจะเปลี่ยนไปพวกเราถ้าเราอาจจะสังเกตตัวเราเองก็ได้แนะพอเราป่วยเนี่ยแม้บางที่แค่เป็นหวัดปวดหัวเนี่ยหลายอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ทำ ยิ่งคนที่ป่วยหนักแล้วก็ป่วยเรื้อรังเนี่ยการไปตัดสินว่าเขาอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่ไม่ได้เลืองเนี่ยนะมันจะทำให้เราแย่ลงถ้าเรารักคนจริงเนี่ยเราต้องยอมรักเขาอย่างที่เขาเป็นและพยายามเข้าใจเขาอาตมาเคย เคยพาจิตอาสาเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหลังจากที่ผ่านกาลอบรมประเชิญความตายสงบมาสองวันครึ่งอ <c oughs> าสาพูดก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุก็คงจะลักสิบได้แก่ก็บ่นว่าปวดปวดมากเลยขณะที่ลูกชายซึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงเนี่ยนั่งอยู่นิ่ ง, ง, งๆเฉยๆ จิตอาสาแนะนำตัวเสร็จจิตอาสาก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าคุณลุงคะที่คุณลุงว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะคนไข้ชอบมากเลยบอกเป็นคำพูดที่เป็นคำถามที่ถูกใจมากเพราะว่าปวยมาเป็นอาทิตย์ไม่มีใครถามเลยว่าปวดอย่างไรลูกก็บอกว่าให้เข้มแข็งเนี่ย หมอพยาบาลก็ให้เตยาสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยสิ่งที่คุณลุงต้องการเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะที่เป็นคนไข้ก็ต้องการคนเข้าใจบ่อยครั้งเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยอดไม่ได้ที่จะตําหนิคนไข้ว่าอ่อนแอมากแล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปแนะนำว่าเข้มแข็งสิอดทนสิทําใจสิตรงเนี้ทราว่าเราตัดสินเขาไปแล้วนะว่าเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งเขาอ่อนแอเขาไม่ทําใจ ซึ่งมันไม่ได้ช่วยเพ่อเลยนะสิ่งที่คนไข้ต้องต้องการเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมาสอนแต่ต้องการคนที่จะมาเข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาการไม่ตัดสีคนไข้เนี่ยยอมรับคนที่เขาเป็นเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากนะที่มันจะไม่ใช่ดีกับผู้ปว่วยชนะนั่นดีกับผู้เยียวยาด้วยหลายอย่างบ่อยครั้งเนี่ยความผู้มันเกิดการที่ ผู้เยาว์ยาไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็วินำซ้ําเนี่ยเอาความเจ็ดเอาความตั้งใจดีเอาเจตนาดีของตัวเมินทิตตั้มเมื่อเขาไม่ทําตามที่เราแนะนําเราเจตนาดีแต่เขาไม่ทําเนี่ยเราก็จะว่าเขาเสร็จแล้วเราก็เสียใจรู้สึกผิดนซึ่งมันก็บังคับจิตใจเราไปใหญ่บางทีเราต้องเอาคนแค่เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่บางทีอะบ่อยครั้งเลย น, นี่เป็นหลักเลยถ้าเราเอาเราถ้าผู้ใหญ่เอาตัวมาสู่กลางเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจบลงด้วยความความทุกความผิดหวังความหนุดหงิดแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่ธรรมมาบอกไว้แม้สักครู่เขาไม่เป็นมะเร็งเขาเป็นโรคหัวใจนะเขาไม่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองพิการโรคโรกสโตรกหลอดดอกเพื่อสมองเขาเป็นอัลไซเมอร์ โรคไซเมอร์เนี่ยนะมันบั่นทอนจิตใจผู้เยียวยาอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่เป็นไซเมอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพจากแม่ที่น่ารักจากผู้จากจากพ่อที่เข้มแข็งกลายเป็นใครก็ไม่รู้จําชื่อตัวเองไม่ได้จําลูกไม่ได้แล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนผู้เยียวยาซึ่งเป็นลูกเนี่ยจะจะมีความทุกข์มากเพราะว่าแม่เองตังหายไปไหนแล้ว ไอท้ที่ที่ตัวเองดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แม่ที่เขารู้จักไม่ใช่พ่อที่เขารู้จักมันเหมือนกับร่างที่ไร้ชีวิตชีวาความทุกข์ของผู้เยียวยาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ยังไปติดอยู่กับภาพในอนดีตของผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่ผู้เยียวยาต้องมีก็คือว่ า, ร, า, า, ารักเขาอย่างที่เขาเป็นรักเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างกำลังเป็นอยู่ขนาดนี้ จะรับเขาไดต้องยอมรับก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วถ้ายอมรับเขาได้รับเขาได้อย่างที่เขาเป็นหรือกาลังเป็นอยู่เวลานี้เนี่ยนะความทุกข์ของผู้เยาว์จะน้อยหมดแต่ส่วนใหญ่ทําใจไม่ได้เพราะว่าติดอยู่กับภาพในอดีตสมัยที่เขาเลี้ยงเรามาสมัยที February, ่เรายังเป็นเด็กสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นและในนั้นคือสิ่งที่มันทําให้ผู้เยาว์ทุกข์มากขั้นการแรกเลยเนี่ยคือยอมรับเขาอยู่ที่เขาเป็นยอมรับพฤติกรรมของเขา ประการต่อมาคือยอมรับอาการของเขาอาการของผู้ป่วยเขาก็จะค่อยแย่ลงไปแย่ลงไปถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี้เราจะทุกว่าเรากําลังตั้งความคาดหวังที่สวนทางกับความจริงเหมือนกับเราอยู่หรือยอยู่ท่ามกลาง ก, า ร, กระแสน้ําเราก็จะโดนกระแสน้ํำพัดไม่มีทางที่จะทุกระแสน้ําได้กระแสที่ว่าคือกระแสความเป็นจริงว่าผู้ป่วยกําลังแย่ลงแย่ลง ถ้าเราเอาความคาดหวังเอาความปรารถนาเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะผิดหวังเพราะเราจะปฏิเสธความจริงเราจะต่อสู้ออกับความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครต่อสู้ออกับความเป็นจริงได้มีแต่ยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เราควรจะทําก็คือว่าอยู่ออกับความเป็นจริงให้ได้ดีที่สุดนะอาจารย์กำพนทองมุญนุ่มเนี่ยซึ่งเป็นคนพิ ก, การแล้วก็ตระหลังก็ หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพิการพิการแต่กายใจไม่พิการแต่ภายหลังก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็งในตักแต่ว่าก็ยังมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอาจารย์กับคนบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับทุกสามอย่างนะหนึ่งยอมรับความจริงยอมรับความริงว่าเราเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งไม่เสียเวลาที่จะบ่นตินโกยตีนพายสองยอมรับความเป็นไปคือไอ้โรคนี้มันรักษาไม่หายมันก็จะย่ไปเรื่อยๆ ความเอืนะ้ความอ่อนแอ ค, ความเสื่อมสทมของร่างกายเนี่ยมันสะท้อนความจริงของความเป็นไปของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเสื่อมไปเป็นยังไงก็ยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์และสามยอมรับความตายตตอาตมาคิดว่าถ้าผู้เยาว์ญาเนี่ยนะยอมมีสามารถที่จะยอมรับสาประการนี้ได้เนี่ยมันจะเหมือนกับเอา เอาความทุกเนี่ยนะวางลงไปจับใจความทุกมันจะน้อยลงไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะว่ายึดติดถือมั่นกับความปรารถนาของตนโดยที่ไม่ยอมรับความจริงนะมันก็คืออาการขัดขืนต่อสู้แล้วก็กดนทนไม่ได้วุยวายตีโค ต, ตีพาย การยอรับความจริงอย่างที่เขาเป็นเนี่ยนะอันนี้อาตมาที่เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเบื้องต้นเลยนะของการที่จะเยียว <c oughs> ยาตนเองหรือเยียวยาผู้ป่วยประการที่สองคือว่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้ผู้เยียวยาหลายคนเนี่ยทุกข์เพราะว่ามีความวิตกกังวลนะวิตกกังวล เวลาเร า, <c oughs> เราวิตกกังวลนะเราล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่เราไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดก็คืออนาคตระหว่างที่ดูแลไปก็วิตกกังวลไปว่าถ้าอาการหนักกว่านี้จะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรมีคนหนึ่งนะเวลาพาพาแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยแกก็จะคอย แกก็จะมีความยึต่มากว่าการรักษาของหมอเนี่ยมันจะได้ผลไหมยาที่หมอให้มันจะมี s i d เ effect อะไรบ้างหรือว่าจะก่อปเป็นซีงอะไรแกคิดไปล่วงหน้าแล้วแกก็เครียดเวลาจะทำแผลแม่เนี่ยนะก็จะเครียดว่าเถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลหรือว่าผิดพลาดจะเกิดะอะไรขึ้นแกพยายามที่จะมองไปข้างหน้าตลอดเวลาทั้งที่สิ่งที่แกทาแกก็พยายามทาดีแล้ว แล้วกก็เครียดมากวิตกตลอดเวลาถ้ามันสักเมื่อมันสะสมมาเป็นห้าปีสิบปีเนี่ยนะแกก็ไม่ไหวถึงตุ่นหนึ่งนะมีความคิดในใจเมื่อไหร่แม่จะไปสักทีพอพอรู้วตัวเองคิดแบบนี้นะเป็นไงโอ้เสียใจเราใช่แม่แต่คุณทุกคนเนี่ยนะจะต้องมีความสุขแบบนี้ผู้ดูแลนะผู้เยวยาถ้ า, าว่าดูแลแม่มานเป็นห้าปีสิบปี เมื่อไหร่แม่จะไปสักทีเมื่อไหร่พ่อจะไปสักทีอันนี้เป็นธรรมดานะมันเกิดจากความเครียดและความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไปกังวลนะกับสิ่งที่เราทำกับการเยียวยามากเกินไปมันเป็นความยึดติดถือมั่นอย่างหนึ่งนะแต่มันไม่ยึดติดใน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไปยึดติกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและบ่อยครั้งเนี่ยนะมันทําให้สิ่งที่ควรจะทําไม่ได้ทําเพราะเอาแตา่กลุ้มอกุ้มใจจนไม่เป็นอันทําอะไรมีผู้หญิคนหนึ่งดูแลสามีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนทั่งต้องมารักษาตัวที่บ้าน เธอก็อาจจะพุ่นคิดนะว่าถ้าสามีตายเธอจะอยู่ยังไงแล้วใครแลวลูกชายนะใครจะหาเงินมาส่งเสียลูกใครจะมาเป็นหลักให้กับลูกคิดไปแบบนี้นะจนท้อแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกุ้มใจเกียมาปรึกษาตามาว่าคุณจะทำอย่างไรอตอมาก็บอกว่าเห็นใจนะที่สามีและคุณต้องมาเจอสภาพเช่นนี้ แต่อย่างที่อยากจะบอกนะสามีคุณยังไม่ตายสามีคุณยังมีชีวิตยอยู่แต่เวลาที่สามีคุณเนี่ยจะมีชีวิตเนี่ยมันก็ผดทายไปเรื่อยอย่าปล่อยเวลานั้นให้สูญหายสูญเปล่าไปนี่คือเวลาโอกาสทองถ้าที่คุณสามีคุณมีลมหายใจอยู่เนี่ยควรจะหาใช้โอกาสนี้ทําความดีทํามีความสุขร่วมกันทําความดีร่วมกัน และออย่างหนึ่งถึงแม่คุณจะช่วยอะไรสามีไม่ได้ในทางกายภาพแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้คือช่วยเขาให้เขาจิตใจสบายและจิตใจก็จะสบายได้เนี่ยจิตใจคุณต้องดีเสีก่อนคุณต้องผ่อนคลายถ้าใจคุณสงบเป็นปกติความปกติสูงก็จะแผ่ไปยังสามีทำให้เขาได้สบายใจกายแย่ลงแต่ว่าใจเป็นปกติได้เป็นสุขได้เพราะคุณ ดั้นคุณต้องดูแลจิตใจตัวให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเขาได้คิดนะฮะเขาก็ได้สติเอ้ยเราเอาแต่คิดว่ามีดผัวตายจะอยู่ยังไงตอนนี้ผัวยังอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช้เวลานี้เป็นประโยชน์เขาเริ่มกลับมากินกลับมานอนกลับมาพักผ่อนแล้วก็หันาให้ความสัำคันกาญทําสิ่งดีๆร่วมกันนะมีความสุขร่วมกัน คนส่วญ่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปเพราะไปคิดถึงแต่อนาคตที่เลวร้วายแล้วก็กุมหัวกุ้มใจจนไม่มีเรี่ยวแรงทําอะไรนี่คือการปล่อยโอกาสทองให้หลุดเลยไปนี่คือการนี่คือผลเสียของการที่ไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือโอกาสทองนะฮะสําหรับผู้เยาวยาเพราะเขายังอยู่เขายังมีลมหายใจนะแม้เขาจะเป็นอัลไซเมอร์แต่เขาก็ยังสื่อสารกับเราหรือรับรู้อ่า อ า, ารมณ์ความสุขของเราได้อยู่กับปัจจุบันรวมถึงว่าการรู้จักหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวการอยู่วยาผู้ป่วยเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาลมเอยที่ความตายนะฮะความผ่าพสูญเสียบางคนจะมาว่านี่คือความแพ้แต่ว่าในเส้นทางเนี่ยนะก่อนที่ไปถึงความตายเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น มันจะมีสิ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่สามารถใช้ความสุขกับเราได้เก็บเกี่ยวความสุขนั้นไว้อย่างที่ธรรมาแนะนําผู้ป่วยไอภรรยาของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยว่าในเมื่อเขายังอยู่กับเราเนี่ยนะเขายังคุยกับเราได้ก็คุณจะเช่าการนี้เนี่ยนะทําสิ่งดีๆร่วมกันมีความสุขร่วมกันคุยกันถึงเรื่องความสุขในอดีต หรือว่าชวนกันทำสิ่งดีๆชวนการทำบุญนะดูหนังด้วยกันนะลํำลึกถึงความหลังด้วยกันไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้บนเส้นทางที่มันจะไปสู่ความพัฒนาะคนส่วนใหญ่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้จิตใจมันจบ ไ, ได้วยความทุกข์รู้จักเก็บเกี่ยวนะความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่มันมีอยู่รอบตัวมีอยู่ในปัจจุบันแล้วขณะเดียการก็อย่าปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาบั่นทอนจิตใจเนะมื่อกี้ท่ามาพูดถึงเรื่องการไปกังวลกับอนาคตยังนไม่ถึงเป็นอนาคตที่วาดภาพไว้เวลวร้ายนะอดีตก็เหมือนกันนะบางทีเอาอดีตมาบั่นทอนจิตใจผู้ป่วยหลายคนเนี่ยผู้ดูแลหลายคนเนี่ย มีความมีความหลังที่ไม่ดีกับผู้ป่วยสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยซึ่งต้องมีการรักษาที่ยาวนานคนที่ดูแลส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกนะก็มักจะเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจตอนเด็ก ลูกที่พ่อแม่สนใจให้ความรักมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะส่งเสียให้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปเรียนถึงอเมริกายุโรปและพวกนี้เนี่ยเมื่อกลับมาก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแม่ เ, เพราะมีฐานะที่สูงมีเอ่อความรบับผิดชอบมากคนที่ดูแลเป็นใครฮะคนที่ดูแลคือลูกที่แม่ไม่รักลูกที่พ่อไม่รักที่ไปไหนไม่ได้นะและ กรณีอยเนี้ที่เขาดูแลแม่ด้วยความด้วยความรสึกค้างขาดใจมีผู้หญิงคนหนึ่งแกแม่เป็นอัลไซเมอร์นะเธอก็ดูแลแม่อย่างดีเลยนะแต่พยาบาลสังเกตว่าแม่กับลูกเนี่ยเหมนห่างกันแม่ไม่ค่อยพูดเลยนะอัลไซเมอร์แต่คอยจำอะไรได้มันเห็นสังเกตถึงความเหมือนห่างระหว่างแม่กับลูกพยาบาลที่เลยไปถามคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเธอเนี่ยนะเป็นลูกที่ พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเธอเรียนจบป .2 ก็ต้องออกไปทำนาส่วนพี่สาวเนี่ยแม่ก็หาเงินส่งเสียจนเรียนต่อในอําเภอข้าเมืองลูกสาวพี่สาวเข้ามาหาวเทยาลไม่มีเงินแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็มาขอมาขอยืมเงินจากเธอซึ่งเธอเนี่ยนต่อนังก็ทานาเสร็จก็ได้มาแต่งงานกับคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วตอนังก็ไปไปทาตัดเสื้อ สวมสื้ตัดเสื้อเสริมสวยเธอก็น้อยใจนะว่าสนใจแต่พี่สาวเอาเงินเนี่ยนะของเธอเนี่ยไปให้พี่สาวเรียนต่อแล้วเวลาเจ็บป่วยน่ะเธอต้องมาดูแลแล้วก็เสียใจนะเวลาพี่สาวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลแม่แต่มาดูแลได้เฉพาะตอนกลางตอนกลางคืนตอนเย็น เวลาเธอดูแลแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ก็สนใจเธอนะแต่พอถึงเวลาสี่โมงเนี่ยสี่โมงเย็นแม่จะเริ่มมองไปที่ประตูนะเพราะอะไรฮะเพราะพี่สาวจะมารับผลแม่เนี่ยรอดูแต่ว่าเนี่ยดูมองที่ประตูนี่แหละคนดูแลก็เป็นไงน้อยใจช้ำใจเสียใจนะฮะความเสนใจส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เอาความหลังอดีตเนี่ย ควคิดถึงความหลังไอ้กเกาหัวเขยคิดถึงความหลังเนี่ยมันทําให้ใจที่จะให้กับแม่เนี่ยมันไม่เต็มที่และแม่คงจะรับรู้ได้ว่าให้ลู้คนนี้หรือคนดูแลคนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใจให้กับเราไม่เหมือนกับพี่สาวพี่สาวเนี่ยโอ้ดูแลแม่ดีนะคุยกับแม่หมวเราะกับแม่ก็มีความสุขนะแต่มาคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะ แต่ว่าเมื่อเรามาดูแลแม่แล้วดูแลผู้ป่วยเนี่ยใจต้องเต็มร้อยใจต้องเต็มร้อยวางเรื่องอดีตลงไปแล้วตมาเชื่อเลยนะว่าถ้าใจเต็มร้อยกับผู้ป่วยเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันมีตัวอย่างเยอะแล้วนะคนที่พ่อแม่ไม่สนใจนะลูกสาวที่พ่อแม่ไม่สนใจเสียพอพ่อแม่ป่วยลูกสาวก็มาดูแลก็ดูแลเต็มที่นะจงกันทั่งพ่อหรือแม่เนี่ย ในวันสุดท้ายเนี่ยแกไม่ได้ถึงใครเลยก็นึกถึงลูกสาวคนนี้ลูกสาวที่ตัวเองไม่เคยสนใจลูกสาวที่ตัวเองเคยตบตีได้ซ้ําแต่ว่าพอลูกสาวมาดูแลตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปที่คของสุดเปลี่ยนไปเพราะอะไรพะลูกสาวให้เต็มร้อย <c oughs> อยู่กับคนใข้ด้วยใจเต็มร้อยนี่คือกรรมหมายการอยู่กับปัจจุบันการอยู่การการอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนทั้งกับคนป่วย แล้วก็ตัวผู้ดูแลเองอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่วิตกกังวลไปกับความอนาคตเทียงที่มันยังมไม่ถึงแต่ว่าไปสร้างภาพให้ให้มันเร็ว้ายไปอัตมาก็แน่นน ะ, ะผูผู้ดูแลหลายคนนะว่าไอ้ที่ทุกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะความกังวลทั้งนั้นและที่กังวลเพราะว่าใจมันอยู่กับอนาคต วางมันลงซะดูปัจจุบันะทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะแล้วใจจะหนักใจจะใจจะความหนักใจจะน้อยลงความโปร่งความจะมีมากขึ้นประการที่สามคือหาเวลาพักบ้างนะหลายคนพักไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะความรักแม่ความห่วงผู้ป่วยอีส่ว น, นเพราะไม่ไว้วางใจคนอื่น แม้จะมีแม้จะจ้างคนมาดูแลก็ไม่ไว้วางใจก็จะทำเองหมดนะจะไม่ยอมพักอยู่กับผู้ป่วยยีบสีชั่วโมงเลยน่านับถือมากนะเสียสละแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลเสียทั้งต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาวเพราะว่าพอไม่มีเวลาพักเนี่ยนะร่างกายเมือ่อยล้าจิตใจก็ย่ำแย่เพราะไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางบ้าง สุทายก็รูสึว่าโหทุกข์มากเหือเกินไม่ไหวแล้วแล้วมันอยคิดตอบว่าเมื่อไหร่ภาร้านี้จะหมดได้คําตอบว่าภาลนี้จะหมดก็ต่อเมื่อแม่ตายพ่อตายไม่ได้คิดต่อไปว่าแล้วเมื่อไหร่ก็จะตายความมีอยากให้มันอยากให้เขาตายอยู่เร็วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะพวามมีขึ้นแล้วเป็นไงรู้สึกผิดนะบางทีอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทําไมเราสึกแย่กับแม่แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยอมพัก นะการพักเป็นส่วนการเยียวยาผู้ป่วยนะฮะเพราะถ้าเราไม่พักเนี่ยเราจะกลายเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ mm hmm. เช่นพอเราหงุดหงิดใช่ไหมเราก็ดา่าแล้วก็ว่าผู้ป่วยก็เจ็บช้ำน้าใจนะบางทีเราก็ไม่ตั้งใจแต่ว่ามันหงุดหงิดเนี่ยมันมันกดไม่มากนะมีผู้ดูแลคนนึงเป็นผู้ชายนะฮะขับรถแล้วก็ประสบุบัติเหตุ ทำให้ภรรยาซึ่งนั่งมากับรถด้วยพิการตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนล่างลองอมาสามีดีมากนะสามีก็พยายามที่จะดูแลภรรยางานการแทบจะไม่ได้ทำเลยภรรยาก็บอกสามีว่าให้ไปทำงานบ้างปเพราะว่าตัวเองก็ต้องหาเงินหาทองแกก็ไม่ยอมนะก็ จืนยันจะดูแลภรายาเองแม้จะมีเงินจ้างคนมาดูแลก็ไม่ยอมเหมือนกับว่าเนี่ยนี่คือวิธีแสดงความรักคือฉันต้องทำเองแต่ทำไปทาไปเครียดนะฮะและยิ่งเห็นผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นบางทีก็โมโหผู้ป่วยโมโหผู้ป่วยนะที่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นอย่างที่ตัวเงคาดหวังและบางครั้งถึงกับทุบตีนะฮะ ทุบตีผู้ป่วยด้วยความเครียดด้วยความลืมตัวดูแลเขานะแต่ลงเอยด้วยการไปทุบตีเขาทุบตีที่ที่ขาที่ตัวลืมตัวครับคนเรานี่ถ้าเราไม่ผู้เยียวยาถ้าเราไม่ไม่เยียวยาตัวเองบ้างนะเราจะกลับทําสิ่งตรงข้ามก็คือทําร้ายเขาไม่ใช่แค่ทําร้ายตัวเองเดียวเพราะการมีเวลาพักบ้างเนี่ยสําคัญนะครับ แต่พักเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงพักกายเดีอบางคนเนี่ยพักก็จริงแต่ว่าพักกายใจไม่พักเวลาพักกายเนี่ยใจก็ต้องวางด้วยบางคนนะได้รับอนุญาตนะให้ไปเที่ยวเดี๋ยวมีน้องมาดูแลเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงหรือว่าจ้างคนมาดูแลตัวตัวเองได้รับโอกาสที่จะไปเที่ยวออกไปเปิดหูเปิ ด, ป ด, ปดตาผ่อนคลายแต่ใจไม่ได้พักนะฮะ ก็ยังคิดพวงลูกเอาคิดพวงถึงแม่คิดพวงถึงผู้ป่วยต้องวางเขาลงไปจากใจบ้างนะฮะพักอย่างนี้ไม่พอนต้องวางเขาไปจากใจบ้างอย่าไปคิดว่าการวางเขาไปจากใจเนี่ยเป็นการไม่แสดงความรักเป็นการไม่รักเขาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดน ะ, ะเพราะว่าถ้าไม่วางเข้าไปจากใจเลยเนี่ยนะถึงเวลาก็ไม่ได้พักใจพอกลับไปดูแลเขาใหม่ก็หงุดหงิดง่ายเสร็จ แ, แล้วก็ ทำลายข้องง่ายทำลายด้วยควาพูดบ้างทำลายด้วยด้วยการกระทำบ้างอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าการที่ไม่รู้จักวางเข้าไปจากใจมันไม่ได้เสียหายเราไปเที่ยวแล้วก็วางลืมเข้าไปบ้างเวลาเราเข้านอนเราก็วางเข้าไปบ้างเวลาเรากินข้าวเราก็วางเข้าไปวางเขาออกจากใจบ้างเวลาเราเข้าห้องน้ำเราก็วางไปจากใจบ้าง การที่วางไว้จักใจมันไม่ได้ทําให้คุณภาพการเยียวยาของเรามันลดน้อยถอยลงเลยต่อเมื่อเราเยียวยาเขาเราอยู่กับเขาเราให้ใจเต็มร้อยเลยใจเราเต็มร้อยแล้วไม่อยู่เขาแต่เมื่อเราไม่ได้อยู่เขานะควรถือเป็นหน้าที่ที่เราจะวางเข้าไปจากใจบ้าง mm hmm. เพื่อให้เราได้ผ่อนคลายได้ได้อ่า จ, จ, จิตใจโปร่งโล่งเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้พร้อมนะที่จะมาดูแลเขาด้วยใจที่เต็มร้อยอีกครั้งนึง การพักเป็นส่วนของการของการทำงานนะฮะและการเยียวยาเนี่ยต้องการการพักไม่ใช่พักการเดียวแต่หลังการปล่อยวางเข้าไปจากใจบ้างด้วยตัวนี้ก็ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติเนี่ยก็จะคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละนะกินก็คิดนอนก็คิดไปเที่ยวก็คิดนะซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่เลย แล้วมไม่แสดงว่าเรารักเขามากกว่าคนที่เขาวางพ่อแม่ออกไปจากใจบ้างนะในเวลาที่ควรจะวางอการต่อมาคือการรู้จังแห่ภัยตัวเองนะความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผู้เยียวยาแทบทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างยืดเยือ้อเผลอด่าบ้างเผลอมุดยิ้มใส่บ้างเผลอขึ้นเสียงบ้างเผลอ ไปนึกบ้างว่าเมื่อไหร่เขจะไปกันทะีแต่แล้วก็พอรู้ตัวก็รู้สึกผิดอันนี้เป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองว่าเราเป็นผูุ้ชนทุกคนมีขีดจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หลุดอะไรไปบ้างหลุดว่าเขาไปบ้างนะขึ้นเสียงเขาบ้างนะมันเป็นธรรมดา เมื่อเรารู้แล้วว่าเราพลาดนะเราก็ตั้งใจที่จะไม่ทำอีกอดีตผ่านไปแล้วก็ช่างมันไม่เอามาเป็นกังวลไม่เอามาเป็นสิ่งทิ่มแทงใจแต่ให้รู้จักเก็บเอามาเป็นบทเรียนว่าให้ที่เราหมุนมิ่นที่เราเอารมณ์เสียสายเขาเนี่ยเป็นข้อเราเครียดเราเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเราก็สรุปบทเรียนด้วยการปล่อยวางบ้างนะอยู่กับปัจจุบันบ้าง ให้อาภัยตัวเองแล้วการให้อาภัยตัวเองทมาอยากจะคิดว่ารวมถึงการให้อาภัยคนอื่นด้วยผู้อ ย, ยาาและคนทับแฉนใจพี่น้องที่ไม่มาดูแลทาไปก็บวนไปทาไปก็ปวนไปทาไมพวกมึงไม่สนใจเลยหรือว่าทาไปก็บวดทาไปก็สึกน้อยเนื้อต่ำใจาทาไมนะ เราถึงต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้กูทำกรรมอะไรไว้บางคนคิดไปเลยนะว่าตัวเองเนี่ยชาติที่เราทำกรรมไม่ดีไว้ชาตินี้เลยต้องมาดูแลแม่หรือตกในสภาพอย่างนี้หลายคนไปเข้าใจด้วยซ้ำนะว่าตัวเองกำลังใช้กรรมไอ้ที่มามามาหยุดสภาพนี้เป็นคขาเข้าใจผิดนะะคุณคุณไม่ได้ใช้กรรมคุณกำลังทำกรรมดี ใช้กรรมเนี่ยมันหมายความว่าหนีไม่พ้นเด็กหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้กรรมเช่นไปขโมยของแล้วติดคุกเนี่ยใช้กรรมกินเหล้าเมาแล้วคือประสบัติเหตุที่การไอะไรเงี้ยเรียกว่าใช้กรรมคือเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นแต่การดูแลแม่เนี่ยมันเป็นทางเลือกคุณไม่ทําก็ได้แต่การที่คุณทําแสดงว่าคุณกําลังทํากรรมดี อไอ้คนที่ไม่ทําเนี่ยนะกำลังทํากรรมไม่ดีไปถึงพี่น้องนะที่ไม่ทําไม่ดูแลเนี่ยไม่เหลียวแลพ่อแม่เนี่ยอย่าไปอย่าไปคับแค้นใจเขาอย่าไปโกรธแรสสค้นเขาสงสารคุณจะสงสารเขามากกว่าว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่สมควรทําซึ่งเขาจะต้องรับวิบากในอนาคตไอ้คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะตอนนี้สบายนะแต่วันหน้าจะลําบากไม่ชาญนี้ก็ชาญ น, น้า เพ่ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะเราจะเห็นใจ เ, ร า, เราจะสงสารเขาเราจะไม่คิดเครียดแค้นเขาไม่โกรธเขาแล้วที่ที่ว่าคุณจะให้พยยบาลคุณจะให้ไปผู้ป่วยด้วยน ะ, มะเมื่อกี้ธรรมมาเล่าถึงเคสคนที่เขาเขามีความสึกขับแค้นใจว่าแม่ไม่รับเขาสุดท้ายเขาต้องมาดูแลแม่เรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้พยาบาลฟังพยาบาลก็ดีนะฮะ พยบายคนนี้ก็ชื่ อ, อการดาวสีพอเธอเล่าเนี่ยนะคุณการดาวสีก็บอกกับหญิงสาวคนนี้ว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนะคุณเป็นคนที่เสียสละมากนะเป็นคนที่น่านับถือแล้วเธอก็เข้าไปกอดหญิงสาวคนนี้หญิงสาวคนนี้นี่แกร้องไห้สะอึกสะอื้อเลยนะฮะ ในแง่หนึ่งแกก็ประทับใจแต่ในแง่หนึ่งแกก็รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างเต็มตื้นในหัวใจเพราะขาบอกว่าแม่ไม่เคยกอดแกเลยเนี่ยพี่อยาก่อนหนูเป็นคนแรกนะแม่ไม่เคยกอดหนูเลยนะพี่อยาก่อนหนูเป็นคนแรกคุณการดาวศรีเขบอกว่าถึงแม่ตอนนี้แม่กอดคุณไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้คุณยังกอดแม่ได้ให้กอดซะ นี่คือวิธีการที่เยียวยาผู้ป่วยเยียวยาเยียวยาจิตใจของผู้ดูแลเป็นการสมานนะความรู้สึกที่เหมือนเหมือนอเฮิร์นทางหมางเหมือนต่อกันอธิบายแค่เพื่อผู้เยียวยาต้องการต้องการนะความรักด้วยต้องการกำลังใจนะและเมื่อเขาแต่รับความรักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ความรักกับ แม่ให้ความรักกับผู้ป่วยและสามารถที่จะให้อาภัยได้การให้อาภัยผู้ป่วยเป็นเรื่องสําคัญนะั้นที่จะช่วยสมานจิตใจผู้เยียวยานะซึ่งอาจจะมีอดีตที่จะปวดอาจารย์คิดว่ า, วาสิ่งที่ปวดที่พูดมาเนี่ยนะแม้มันจะไม่ได้ช่วยทำหาหสถานการของผู้ป่วยดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะช่วยเยียวยาจิตใจนะของผู้เยีวยาได้ไม่ว่าจะเป็น การยอมรับนะความจริงของผู้ป่วยการที่พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนไข้ด้วยใจเต็มร้อยรู้จักพักหาเวลาพักบ้างแล้วก็พักอย่างนี้เขาต้องปล่อยวางออกไปจากใจด้วยแล้วก็ให้อภัยให้อภัยตนเองให้อภัยใครต่อใครที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรทา รวมทั้งให้อภัยผู้ป่วยด้วยนะอาตมาเชื่อว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยนะในที่สุดแกก็จะสามารถจะกลับมารักแม่ได้นะกลับมากอดแม่ได้แล้วก็จะทําให้การเยียวยาการเยียวยาดูแลแม่เนี่ยมันเป็นไปนะอย่างมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนไปได้วยความสุขมากขึ้น ก็สมควญกับเวลาแล้วก็ขอยุติการบริจาคเท่านี้ก็เป็นเมตตาครับจากพรแม่กุบารจ้า